เนี่ยมันเป็นสภาวะของการที่จิตมันพลิกนะอย่างเราทําเนี่ยมันไม่พลิกนะเนี่ยง่วงมันก็ง่วงอยู่นั่นแหละเบื่อก็เบื่อคิดก็คิดอยู่เนี่ยทีนี้สภาวะอันที่เขาบอกว่ารู้รูปนามคือจิตมันพลิกไปแต่ก่อนมันเคยติดอยู่ในอารมณ์นี้มันไม่ออกสัทีอันนี้มันพลิกไปอ่ะจิตมันพริกทําให้จิตมันจะพลิกได้เนี่ยมันไม่ใช่รู้รูปก็คือกายนามคือใจนามคือความรู้สึกมันไม่พลิกให้นะอ้เนี่ย เพราะมันไม่ใช่รู้แบบที่เขาว่านั้นหลวงพ่อเนี่ท่านก็นปฏิบัติพองยุคมาตั้งเยอะมันดีหน่อยคือคือหลวงพ่อนี่ก็อ่านหนังสือไม่ออกเหมือนกันนะเนี่ย น, นี้เมียมาบวชนะบวชแล้วเมียถึงรู้ว่าท่านบวชพอมารู้ทีหลังท่านมีปัญหาชีวิตท่านเคยไปบวชเป็นทายกวัดแต่ก่อนเขาก็ไม่ใช่คนมีบุญอะไรเขาขยันทำทำทีแรกก็ไม่อยากทำเพราะอะไรเพราะอ้ย มันจะรู้ได้ยังไงว่ายกไม้ยกมือนี่กลับบ้านดีกว่ากลับบ้านแต่พอกลับบ้านไปท่านรู้จากว่า อ, อรู้สึกว่าตัวเองเป็นทุกข์อยู่เขาว่ารู้รูปน้ำแล้วมันจะดับได้เลยกระทบที่ไหนมันดับที่นั่นหลังจะรู้แล้วเนี่ยเออทุกมันจะมีจริงอยู่เนาะไปทําดูดินี่เห็นคนนั้นเขาทําคนนี้ก็ทําก็เลยไม่ทําใหม่ทาไปทํามาครบเจ็ดวันกลับบ้านคนอื่นเขากลับคนนั้นก็กลับท่านเลยบอกเฮ้ยมันยังไม่รู้อ่ะ ตอนทําก็เห็นคนหลายคนก็อายเขาจะยกมือยกอะไรเนี่ยเลยให้เขากลับบ้านก่อนแล้วเขาไม่แอบ ท, ทําทีหลังยืมเงินค่ารถกับคนอื่นเขาไว้สักร้อยหนึ่งแล้วก็ทําตั้งใจทำํำพอทำปุ๊บทําอยู่สี่สิบสามวันแล้วเกิดเข้าใจขึ้นมาโอ้แฉมแจง้งว่าเป็นนี้น้ออยากตะโกนลั่นป่าทั้งว่าหมดทุกแล้วหมดทุกแล้วอะไรประมาณนั้นนะการรู้รูปนามนี่ก็จะไม่ค่อยเหมือนกันบางคนรู้น้อยๆแล้วก็ไต่เต้าไป บางคนสู้สมมุติก่อนบางคนรู้ศาสนาบางคนก็จะรู้มองไปเป็นรูปเป็นน้ําถ้ามองไปที่ไหนเนี่แต่ก่อนมันไม่เป็นแล้วแต่ก่อนมันเป็นต้นไม้เป็นภูเขาเป็นน้นเป็นแต่นี้มันเป็นรูปเป็นน้ําไปหมดจิตมันเปลี่ยนเราอยากทำให้จิตมันเปลี่ยนนะเนี่ยปฏิบัติทําเนี่ยให้เกิดวิปัสสนาให้จิตมันเปลี่ยนนั้นกานที่จะจิตมันเปลี่ยนนี่คือนึงอย่าคุยกันอย่างว่าน่ะเฉย พอทานอาหารเสร็จต้องไปเดือนจุกรมเลยแรงฟันทำอย่าไปนั่งคุยอย่าไปนั่งถ้าไปง่วงไปเหงามันไม่เปลี่ยนให้จะตีนัมันก็จะทับเราเลยเนี่ยทับลงทับลงพเพราะเตที่อดีตผ่านมานี่นก็ทับมากเราแล้วมันมากอะไรนี่มันทับเนี่ความคิดทับความง่วงความเหงานิศ ใ, ใจเดือดใจคอเดิอมมันทับเราเราจะไม่ออกจากมันนะเนี่ยจะมาฝึกมาฝืนมันต้องฝึกมากๆนะนี่ทํำยเยอะๆจะมานั่งหลับๆตื่นๆนี่มันไม่ออกให้หรอกนะเนี่ยมันต้องเด็ดขาดกับมัน ใครมาด้วยกันสองสามคนสี่คนห้ 5, คนอย่าไปหากันไปใครไปมันอันนี้อย่าไปรอถ้าไปรอกันรอคนรอคนนี้นี่มันไม่เป็นให้นะไอเนี่ยเหย็ดคือกันกับมาเขาเห็ดเนอไม่สมเนี่ยไหอเฮ็ดสมพักเดีสิมันไม่ใช่ว่าจะรอคนนะั้นคนนี้ถ้าใส่สูตรมันเป็นก็เป็นนะใส่เกลือพอเหมาะตากแดดหน่อยมันก็ไม่ขิว ถ้าใส่ข้าวมากมันมันจะเปรี้ยวเกินส้มเกินก็เอาพอดีพอดีอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยกำหนดรู้เนี่ยอย่าไปเปิดฝาหมอ้อดูบ่อยหลายถ้าเปิดบ่อยมันก็ไม่ได้นะเปิดฝาหมอ้อกคือเดี๋ยวไปคุยกันแล้วเดี๋ยวไปคุยกันแล้วไม่ได้แปลงฟันแล้วเข้าทางจุกลงเลยนะถ้าใครเข้าช้าก็อย่างว่าแ่ะคนขมโมยเอาทางจุกลงไปก่อนจะลืมเนอให้เวลาสัก ที่นี่เขาจะไม่บอกนะเวลาท่านั่นตีละครังให้ไปแปรงฟันห้านาทีเนี่ยเขาไม่มีนะทีเนี้ยคือเขายังให้คุณตื่นตัวตลอดเวลารีบทํารีบเสร็จแล้วมารอยตลอดเวลาเลยเดินโยกกลมรอพะแม่งเข้ามาได้เลยอืเขาสอนอันนี้จังไงในนียอันนี้จังคือมันไม่เที่ยงทุกอย่างมันไม่เที่ยงคุณพร้อมที่จะปรับตัวตลอดเวลาอันนี้จังตลอดเวลาเนี่ยอย่างนั้นก็ได้